เลยนึกตัดสินใจในขณะนั้นว่าเอา้าตายเป็นตายคนละสัตว์ทั้งโลกโล้วนจะตายเช่นเดียวกับเรานี่แหละไม่มีใครจะมาจับจองครองโลกแต่ผู้เดียวได้ไม่ยอมตายพอตัดสินใจได้แล้วก็ย้อนจิตมันสนใจกับภาพศพตัวเองที่กำลังนอนตายอยู่ต่อหน้าไม่เลือนลางหายไปไหนเรากับเตือนให้รู้สึกตัวว่าตายแล้วไม่มีทางสงสัย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 และฝันไปเลยเกือบตลอดคืนจวนสว่างถึงขึ้นมาจึงรู้สึกเสียใจไม่หายจนบัดนี้กลัวหลวงพ่อจะดูเอาว่าภาวนาไว้เป็นท่าได้จะหลับพอทราบเท่านั้นท่านก็หัวเราะชอบใจและถามทันทีว่ามาหลับอย่างไรและฝันอย่างไรบ้างลองเล่าให้ฟังดูทีแก่เล่าถวายท่านดังกล่าวมาท่านยิ่งหัวเราะใหญ่และพูดออกมาด้วยความชอบใจว่านั่นไม่ใช่หลับไม่ใช่ฝันนั่นแลจิตสงบจิตรวมจงจําไว้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 หรืออะไรก็ยากจะเดาถูกเพราะขณะปรากฏทางสมาธินิมิตก็ได้เล่าให้หมู่เพื่อนฟังอยู่เสมอว่าท่านอาจารย์ป่วยหนักจนเต็มทีแล้วท่านอุตสาเมตตาหะมาบอกแทบทุกคืนและต่อมาก็มาปรากฏทุกคืนพวกเรายังไม่ได้ไปกราบเยี่ยมท่านเลยยังติดธุระนั่นนี่อยู่ไม่มีวันสางซาพอนาดกันวันนั้นวันนี้ว่าจะออกเดินทางไปกราบเยี่ยมท่านก็ไม่สาเร็จพอวันสุดท้ายที่กาหนดออกเดินทางก็เป็นวันท่าน มรณภาพมาถึงแล้ก็คืนนั่นแลท่านได้เหาะมาทางอากาศยามดึกสงัดมายืนประกาศคือกล้องอยู่บนอากาศว่าเห็นไหมพ่อบอกหลายครั้งแล้วว่าให้รีบไปเยี่ยมพ่อบัดนี้หมดเวลาเสแล้วจะพากันนอนจมกองหมุดกองขุดอยู่ที่นี่ก็ตามใจถ้าไม่สนใจคําของพ่อโอเป็นอันหมดหวังเพียงวันนี้ไม่ได้พบร่างพ่ออีกแล้วบัดนี้พ่อลาโลกไปเสแล้วพากันทราบหรือยัง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 เพราะความรู้ทางสมาธิของแก่เคยแม่นยำมาแล้วจนเชื่ออย่างตายใจยิ่งกว่าจะมาคิดว่าแก่เป็นบ้าขณะที่พูดสนทนาคันยังไม่ขาดคำก็มีคนวิ่งตาลีตากว้างออกมาบอกว่าท่านอาจารย์มัน่นบรณภาพเสร็จแล้วเมื่อคืนนี้คุณแม่ทราบหรือยังวิทยุทางอำเภอประกาศเมื่อเช้านี้เวลาแปนาฬิกาว่าท่านอาจารย์มัน่นภูริทัตเถระ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 เสียจริงๆก่อนจะตายก็ทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสทนไม่ไหวจึงได้ตายทั้งที่ไม่อยากตายรู้สึกมีความเครียดแค้นในเจ้าของเป็นอย่างมากแทบไม่มีที่ปรองวางจิตใจเวลานี้จึงได้เดินโซซัดปัดเต๋มาหาคุณแม่ให้ช่วยบรรเทาทุกข์และขอพึ่งบุญบรารมีแบ่งส่วนกุศลผลบุญที่คุณแม่ได้บำเพ็ญมาพอมีส่วนได้ไปเกิดเป็นมนุษย์กับเขาพอมีทางหายใจระบายทุกข์บ้าง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 ทำไมว่าเขาไม่รู้จักบุญคุณของเราและว่าเขาไม่มีมนุษยธรรมในใจค่าตีทรมานโดยประการต่างๆจนถึงกับผูกโกรธผูกแค้นจองกรรมจองเวรในเขามิใช่เราไม่ดีไปเที่ยวหาลักขโมสสิ่งของหวงแหนที่เขาปลูกไว้ตามไร่นารั้วสวนมากินหรืออยู่ดีๆทำไมเขาจะเอาตัวมาเคี่ยนตีทรมานและนาตัวไปฆ่ามนุษย์แถวนี้ก็ปรากฏว่าดีมีศีลธรรมพอเชื่อถือได้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 อะไรใครหวงแหนหรือไม่หวงแหนพอคว้าถึงป่าก็กัดก็แท้กินไปตามภาษาสัตว์อย่างนั้นเองถ้ารู้ภาษาอยู่บ้างเหมือนมนุษย์ก็คงไม่ทําและไม่มาเกิดเป็นสัตว์ให้เขาฆ่าตีทําลายดังที่เป็นอยู่เวลานี้ส่วนมนุษย์ผู้มีความฉลาดกว่าสาัตว์ก็น่าจะเห็นใจให้อภัยบ้างไม่ทําตามอํานาจจนเกินไปซึ่งผิดจากสินธรรมของมนุษย์มนุษย์ผู้ดีเขาไม่ทําอย่างนี้เพราะเป็นความอุจารปาดใจขายชาติของตัวเอง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 คุแม่จะให้ผมไปถามให้เสียเวลาทําไมก็เมื่อคืนนี้ราวสองทุ่มแกลากเอาวายของแกไปฆ่าอยู่ที่นั่นที่นั่นเสียงไกวร้องเพราะความทุกข์ทรมานได้ยินถึงไหนโน้นเสร็จแล้วก็เอาเนื้อมันมากินเลี้ยงกันใหญ่เสียงเอตโรโฮเฮจนเปื่อยสว่างจึงได้สงบลงป่านี้มันตื่นนอนกันหรือยังก็ไม่รู้ผมรู้เรื่องนี้ดีจึงอย่าให้ไปสืบถามให้เสียเวลาเลยดังนี้ความจริงที่แม่ชีเล่าให้ฟังเป็นอย่างนี้ ปรากฏนิมิตก็ปรากฏในคืนเดียวกันเป็นเพียงแกปรากฏตอนดึกสงัดซึ่งผิดเวลาการเล็กน้อยจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดสําหรับพวกเราที่กําลังตกอยู่ในห่วงวัด ต, ตะซึ่งมีทางเป็นได้ด้วยกันโดยไม่เลือง ก, การสถานที่และใครๆเรื่องที่สองนี้เป็นหมูป่านี้ก็น่าประหลาดไปอีกทางหนึ่งคือหมูป่าตัวนี้ก็เที่ยวหากินมาตามชายเขาโดยลําพังไม่นึกว่าจะมีคนดักซุ่มอยู่ตามบริเวณนั้น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 เพื่อบุญอันเกิดแต่ทานนี้จะได้เป็นเครื่องอุดหนุนเชิดชูให้ผมได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ในภพต่อไปสมความมุ่งปรารถนาสิ่งที่เป็นน้ำใจอันประสงค์อยากถวายทานอย่างยิ่งของผมนั้นคือเครื่องในแห่งอวัยวะของหมูที่ตายอันเป็นตัวผมเองแต่มนุษย์มีความระมโมภโลคมากกว่าสาัตว์ทั้งหลายจึงกลัวว่าเนื้อชิ้นใดที่ดีๆเขาจะเก็บสังสมไว้เพื่อูมิของตัวมากกว่าเพื่อทาบุญ แล้วไม่นํามาให้ทานเพราะกลัวจะหมดจากลิ้นจากปากด้วยอํานาจกิเลสตัวโลโภพาให้เป็นไปผมจึงมีความวิตกกังวลมากเกรงไม่สมใจที่อยากให้ทานในเวราสุดท้ายแม่ชีได้เมตตาอบรมสั่งสอนเขาพร้อมกับให้ศีลให้พรแด้แผ่ส่วนกุศลแก่เขาขอให้ได้ไปเกิดในกําเนิดที่มุ่งหมายตามใจหวังเขารับอนุโมทนาส่วนบุญแล้วได้ลาจากไปในขณะนั้น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 เมื่อเขานำเนื้อหนังมังสังส่งสวนใดก็าตามมาให้ทานที่นี้ขอให้พวกเราอนุเคราะห์เมตตาบริโภคให้เขาด้วยเพื่อบุญนี้ได้เกื้อหนุนเขาได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติต่อไปทำไมจึงเป็นอย่างนี้ก็ไม่ทราบฉันเองก็ไม่เคยปรากฏเช่นนี้มาก่อนเลยที่สัตว์เดรัจฉานคิดใจบุญอยากให้ทานเนื้อหนังของตนดังหมูป่าตัวนี้ถ้าเป็นความจริงขอสังเกตดูต่อไปจะจริงหรือเท็จประการใดบ้างกทราบขัคราวนี้เอง เป็นที่นาประหลาดและอัศจรรย์อยู่ไม่น้อยถ้าตามเหตุผลที่เป็นมานี้คือพอสายหน่อยประมาณแปนาฬิกาก็เห็นผู้หญิงสองสามคนกับพันยาของนายชื่อนั้นนั่นเองคนหนึ่งนำเนื้อหมูป่ามาให้ทานที่นั่นพอคณะแม่ทีมองเห็นเนื้อที่เขานำออกแสดงก็ทราบกันโดยในว่าต้องเป็นเนื้อหมูป่าตัวนั้นแน่นอนไม่สงสัยเมื่อถามเขาก็ทราบเป็นความจริงทุกประการ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 มิฉะนั้นไม่มีทางผ่านพ้นไปได้นอกจากไม่สามารถผ่านไปได้แล้วยังทำให้เกิดงงงานอั้นตู้อยู่เป็นพักๆเป็นวันๆเพราะปัญหาแต่ละข้อมีความหนักเบาต่างกันนักภาวนาจําต้องเป็นนักไคร่ครวนไปในตัวโดยไม่มีใครมาบังคับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ละปัญหาหากเป็นเครื่องขย่าสติปัญญาให้ตื่นตัวไปเองนับแต่ขั้นอสุภะจนถึงขั้นนมามธรรมอันเป็นส่วนละเอียด ย่อมเป็นทางเดินของสติปัญญาโดยแท้นักปฏิบัติต้องเกิดปัญหาและปัญญาในตอนนี้แหลมากกว่าทุกขั้นทุกตอนที่ผ่านมาถ้าพอใจว่าตนมีภูมิกิตภูมิรำละเอียดคล่องแคล่วในอสุภะธรรมและนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นมารบ ก, กวนใจเลยคิดภาคภูมิว่าตนเป็นประเภทสุขาปฏิปทาคือปฏิบัติสะดวก นั่นคือการภาคภูมิในความนอนใจของการปฏิบัติเพื่อเรือถอนรากแก้วรากฝอยหรือรากเงาเข้ามูลของกิเลสทั้งปวงโดยไม่รู้สึกตัวเพราะการแก้กิเลสด้วยปฏิบัตาเริ่มแต่ขั้นสมาธิถึงขั้นปัญญาตามลำดับขั้นนั้นๆโดยมากต้องเกิดปัญหาต่างๆแทรกขึ้นในระหว่างเป็นระยะไปซึ่งเป็นการปลุกหรือขย่าสติปัญญาให้ตื่นตัวไปในขณะเดียวกัน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 ต้องเป็นเรือนรังแห่งปัญหาแง่ต่างๆจะพึงเกิดขึ้นเสมอในวันเวลาหนึ่งๆขณะที่ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นสติปัญญาจะนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้เพราะถูกปัญหานั้นๆขยับเศร้าซีอยู่ไม่หยุดจนทนอยู่เฉยๆไม่ได้จำต้องทําการพิจารณาแก้ไขให้ลุล่วงไปเป็นตนตอนซึ่งเป็นการดําเนินผ่านพ้นไปด้วยในขณะที่ปัญหาแต่และข้อตกไปอุบายแยบคายต่างๆย่อมเกิดขึ้นเสมอ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 คือแหล่งแห่งปัญหาเครื่องปลุกหรือเขยา่าทั้งมวลและมามีสมาธิฐิสม า, ส, มาสังกัปปะเป็นสำคัญเป็นแหล่งแห่งปัญญาทุกขั้นซึ่งเป็นเครื่องแก้ปัญหาที่เกิดจากสมุทัยศัสตร์ทำทั้งสองนี้ต้องทำหน้าที่ต่อกันอย่างเต็มภูมิก่อนจะผ่านไปได้แต่ละขั้นภูมิการที่สติปัญญาทำหน้าที่ต่อสมุ ท, ทยัยอันเป็นต้นเหตุแห่งปัญหานั้นเรียกว่าปัญหาเกิดและเรียกว่าแก้ปัญหา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 อันเป็นทางหลุดพ้นตามหลักของผู้แก้กิเลสด้วยสติปัญญาแต่จะอธิบายระบุว่าปัญหาที่เกิดต้องเกิดในลักษณะนั้นและปัญญาที่จะนามาแก้ไขปัญหาต้องเป็นปัญญาเช่นนั้นต้องใช้อุบายอย่างนั้นดังนี้ย่อมไม่ได้เรื่องทนองนี้ต้องเป็นเทคนิคคือความแยบคลายของแต่ละรายจะคิดผลิตขึ้นเพื่อเหมาะแก่กรณีนั้นเป็นข้อข้อ และเป็นรายรายไปเพราะคำว่าปัญหาก็ดีปัญญาก็ดีมีมากมายและสลับซับซ้อนไปตามคนมัญญาของกิเลสมุทยัยและความแยบคายของสติปัญญาดังนั้นจึงลงไว้เท่าที่ควรไม่ฟั่นเฟือหรือรางเกินไปจนทําให้ท้อถอยน้อยใจก่อนจะลงมือปฏิบัติอย่างไรก็ตามการปฏิบัติทางใจเพื่อเหตุเพื่อผลจริง จำต้องมีปัญหาและปัญญาเป็นค่าศึกสัตรูกันตลอดไปจนถึงที่สุดของเหตุและผลโดยสมุนแล้วนั่นแลปัญหาเกี่ยวกับสมุทัยก็ดีปัญหาเกี่ยวกับมรรเครื่องแก้ก็ดีย่อมหมดไปตามๆกันท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจึงกรุณาหนักแน่นในสติกับปัญญาที่จะพิสูจน์ปัญหาแง่ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวในทางสมาธิและทางความรำพึงไตร่ตรองหรือทางปัญญาให้รู้ล่วงไปด้วยความมีเหตุผลเป็นเครื่องดําเนิน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 ปัญหาต่างๆที่ปรากฏขึ้นแต่ละปัญหาทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาขั้นนั้นย่อมสร้างความหนักใจแก่เจ้าของได้พอดูนอกจากจะวินิจฉัยด้วยตัวเองแล้วยังต้องอาศัยท่านที่เคยผ่านมาแล้วเป็นคู่ปรึกษาเป็นทอดทอดไปเพื่อความแน่ใจในการปฏิบัติและปัญหาที่วินิจฉัยและปรึกษาแล้วนั้นเป็นความมั่นใจด้วยเหตุผลสมบูรณ์แล้วด้วยเหตุนี้พระกรรมฐานจึงมักมีการสนทนาถามกันอยู่เสมอ เนื่องจากการปฏิบัติเป็นไปอยู่ตลอดเวลาเวลาท่านสนทนากันอย่างถึงพลิกถึงขิงถึงเหตุผลอัดธรรมจริงๆนั้นท่านมักสนทนากันระหว่างสองต่อสการสนทนาแบบนี้ต้องเป็นโอกาสเหมา ะ, มาะและนานๆท่านจะได้มาพบกันซึ่งต่างฝ่ายต่างมีความประหารอยากฟังผลแห่งการปฏิบัติธรรมทางใจของกันและกันการสนทนาจึงมักเริ่มต้นจากการปฏิบัติหนึ่งเริ่มจากที่เคยสนทนากันแล้วเป็นต้นไปหนึ่ง โดยฝ่ายหนึ่งเริ่มเรื่องของตัวจากำลำดับดังกล่าวเรื่อยไปจนถึงปัจจุบันที่จิตกำลังเป็นอยู่ำลำดับต่อไปถ้ายังไม่มีโอกาสซักซ้อมปัญหาที่ผู้ฟังข้องใจผู้ฟังก็เริ่มเล่าเรื่องของตนให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังต่อไปเริ่มแต่เริ่มแต่ต้นจนเต็มภูมิที่รู้ที่เป็นมาจากนั้นถ้าท่านผู้ใด ย, ยังค่องใจในแง่แห่งธรรมหรือปัญหาที่มีแฝงอยู่ในธรรมที่ฝ่ายหนึ่งเล่าให้ฟัง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 การสนทนาธรรมทางด้านปฏิบัติจึงเป็นมงคลทั้งสองฝ่ายตามความ ร, รู้สึกของผู้เขียนเพราะต่างฝ่ายทางฟังกันด้วยความจดจ่อต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนอวสานแห่งการสนทนาและได้รับธรรมานุสรจากกันไปเป็นที่ระลึกและปฏิบัติตามอย่างหาคุณค่าใดๆมาเที่ประมาณไม่ได้ความระลึกในบุญคุณของการละกันก็ไม่มีเวลาสิ้นสุดตลอดวันตายไม่มีทางเป็นอื่นขณะที่ท่านกำลังสนทนาธรรมกัน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 พลิกตัวด้วยอุบาสติปัญญาทานกับคนมายาของกิเลสแต่ละประเภทแล้วผ่านพ้นไปได้เป็นระยะกับขั้นสติปัญญาพอตัวรู้เท่าทานราคะธันหาแล้วจิตกับกิเลสประเภทนี้ขาดจากความสืบต่อกันไปในขณะนั้นและขั้นที่จิตมีกำลังเต็มภูมิแล้วคว้ามอวิชชาซึ่งเป็นรากแก้วของวัตตะลงได้เหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมอัศจรรย์หาฟังได้ยากในชีวิตของคนคนหนึ่ง ซึ่งเกิดมาส่วนมากทั้งท่านและเรามักจะทายเปล่าไม่เคยมีเสียงของท่านผู้บิบัติและรู้ธรรมประเภทนี้มาผ่านหูเลยนอกจากเสียงยิโรโปโกเกที่เหยียบย่ำทำลายสุขภาพทางกายและทางใจดังเราเราท่านท่านฟังกันอยู่ทุกวันจนเบื่อแทบอกแ ต, แตกตาอยู่แล้วแม้เช่นนั้นก็อดพูดอดฟังกันไม่ได้เพราะเป็นประเภทอาหารก้นหมอ้อทำให้ทานก็ไม่ทราบจะทานอะไร แต่การสนทนาทำกันท่านกล่าวไปตามหลักธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับจิตในวงปฏิบัติไม่ได้กล่าวถึงขั้นถึงภูมิแห่งธรรมนั้นเลยว่าได้ขั้นนั้นขั้นนี้เช่นได้บรรลุโสดารหัสไม่ว่าท่านองค์ใดสนทนาท่านรู้สึกถนัดไปตามวิสัยป่าเสียมากกว่าจะเป็นวิสัยของผู้เจริญและชัดเจนในสังคมในวงปฏิบัติถ้าได้ยินท่านองค์ใดพูดแบบบ้านเมืองที่เจริญแล้วออกมาว่าสําเร็จขั้นนั้นขั้นนี้ดังนี้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 นอกจากสงสารแล้วช่วยตักเตือนด้วยความเมตตาเพราะเรื่องทนองนี้อาจมีได้ในวงปฏิบัติเพราะทางไม่เคยเดินย่อมมีรู้มีหลงได้ทั้งท่านและเราดังเคยมีมาแล้วในสมัยปัจจุบันนี้เองท่านที่ว่านี้ก็เป็นนักปฏิบัติมีความสนใจในธรรมอย่างแรงกล้าไปบําเพ็ญธรรมอยู่ในปากอยู่ในภูเขาพอตอนดึกสงัดจิตก็เกิดสงัดขึ้นมาในเวลาที่ยังคืนท่านเองเข้าใจว่าตนสําเร็จพระ รหัสไปแล้วจึงกวาเอากล่องยานัดในย่ามมาเป่าแทนนกหวีดปีดปีดปีดให้สัญญาณเร่งเรียกเพื่อนๆที่ไปด้วยกันมาหาในขณะนั้นเมื่อต่างตกใจรีบมาถามท่านก็บอกตามตรงว่าผมสำเร็จแล้วสำเร็จเมื่อสักครู่นี้เองนึกสงสารเพื่อนๆจึงได้เป่านกหวีดเรียกให้มาหาส่วนจะจริงหรือเท็ตนั้นไม่มีใครทราบได้ขณะนั้นเพื่อนๆสอ ง, ององค์นึกตำหนิอยู่ภายในว่า สำเร็จแบบเป่านกหวีดนี้มันอะไรกันก็ไม่รู้พิสดารเกินไปแล้วนี่แต่ไม่กล้าออกปากพูดออกมาพอเที่ยงคืนวันหลังก็ได้ยินเสียงนกหวีดดังลั่นสนันภูเขาขึ้นอีกแล้วเพื่อนๆได้ยินก็นึกเอือมในใจว่าเป่านกหวีดคราวนี้จะสาเร็จขั้นบ้าหรือขั้นอะไรกันอีกนานี่เมื่อคืนนี้ก็สําเร็จอรหันไปแล้วแล้วบันนี้จะสําเร็จอะไรกันอีกก็ไม่รู้ยุ่งจริงพระอรหันต์องค์นี้แต่ก็ฝืนใจมาพระมหาด้วยกัน จะทำเฉยเสียก็ดูอะไรยอยู่พอมาถึงก็ถามว่าคราวนี้สําเร็จขนาไหนกันอีก พ, พระอาหารหันต์นกหวีดตอบว่าก็มันไม่สําเร็จนี่ท่านคืนที่แล้วเข้าใจผิดต่างหากเพิ่งมาเข้าใจเดี๋ยวนี้ว่ามันยังอยู่จึงได้รีบเป่านกหวีดให้มาหาจะได้แก้ข่าวว่ามันยังไม่สําเร็จนี่มันโกหกผมต่างหากกิเลสนี่เก่งจริงต่อไปนี้จะทรมานมันอย่างหนักโมโหจริงถูกกิเลสหลอกได้ เพื่อนถามก็คืนที่แล้วก็ดีคืนนี้ก็ดีทำไมจึงพูดออกมาแบบพร่ำพร่ไม่มีสติอยู่กับใจบ้างหรืออย่างไรเดี๋ยวเขาจะว่ากรรมฐานบ้าผมนะ่าอายจะตายอยู่แล้วเวลานี้ก็กิเลสมันหายเงียบไปนี่นึกว่ามันตายแล้วก็ต้องฉลองชัยชนะบ้างสิท่านด้วยการป่าโนกวิดไงล่ะแต่คืนนี้มันโผล่ขึ้นมาอีกไม่ได้ตายดังที่ขอใจจึงรีบบอกหมู่เพื่อนอีกน่ะสิถ้าเป็นความสัมพันธ์ผิดแบบนี้ก็ไม่มีใครถือสานอกจากนึกขบขันและหน้าหัวเราไปธรรมดา ส่วนประเภทหลังเป็นประเภทที่น่าเกลียดน่ากลัวมากแต่ผู้ชอบไปโรคพระจันทร์นั้นมักจะชอบประเภทนี้กันมากจึงมักมีโรคประจันท์แฝงอยู่ในวงปฏิบัติเรื่อยมาอย่างแก้ไม่ตกเฉพาะท่านอาจารย์มั่นที่ทราบมาไม่เคยปรากฏเลยที่จะพูดพลาดพิงองค์ท่านเกี่ยวกับมรรคผลว่าท่านได้ขั้นนั้นภูมินี้รู้สึกท่านเคารพในขั้นภูมิทำ น, นันนันมาก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 เพราะในโลกมนุษย์พุทธบริษัทเราไม่ได้มีเฉพาะคนโงร่รักษาศาสนาด้วยถ่ายเดียวที่ควรจะนําวิธีการซึ่งนักปราดชาติอริยะจะพึงตําหนิมาใช้ประกาศศาสนาเนื่องจากวิธีที่ดีงามและละเอียดสุขุมซึ่งเต็มไ ร, ริ้วยอาจ ด, ด้วยธรรมความจริงทั้งหลายที่ท่านเคยพาใช้เพื่อความราบรื่นชื่นใจแก่ห ม, มู่ชนยังไม่หาสาบสูญไปจากศาสนาและวงปฏิบัติยังเป็นวิธีที่ ท, ทรงดอกทรงผลที่น่ารื่นรมชื่นตาเย็นใจ แกผู้ได้เห็นได้ชมตลอดมาถึงปัจจุบันดังพระอัจชิอรหรันท่านแสดงธรรมแก่พระสารีบุตรพุทธสาวกซึ่งเป็นความถ่อมตนเตรียมตัวสมนามท่านที่เป็นพระขีนาาศไม่มีโลกาไม่ใดๆเข้าไปแอบแฝงใจได้มีในแห่งธรรมที่แสดงออกในเวลานั้นว่ารูปเพิ่งบวชในธรรมวินัยใหม่ๆยังไม่มีความรู้ลึกซึ้งกว้างขวางจึงไม่อาจแสดงธรรมให้ท่านฟังอย่างพิศดารกว้างขวางได้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 ได้พบเส้นชีวิตที่ฝากเป็นฝากตายอย่างสมใจแล้วจากท่านผู้มหาคุณอัศชิเทระอย่างไม่คาดฝันเป็นเพียงเพศเดิมแห่งปริพภาโชคเท่านั้นยังปรากฏอยู่ในร่างส่วนสมณเพศที่หนึ่งทางภายในที่ได้รับจากพระอัศชิเทระนั้นได้เป็นอริยสาวกู้หนึ่งโดยธรรมชาติไปแล้วแม้เช่นนั้นปริพภาชคอุปติสระยังไม่ทราบเลยว่าอาจารย์ผู้ให้กำเนิดแห่งอริยภูมิแก่ตนเป็นสมณะที่เท่าไร เพราะท่านพระสัชิม่ได้สนใจกับความประกาศตนอันเป็นเพียงลมปากผ่านออกมาแล้วก็หายไปยิ่งกว่าการประกาศธรรมของจริงให้อุปติสสะได้รับผลเป็นที่พึงพอใจในเวลานั้นนี่คืออารยประเพณีของท่านผู้มีความสิ้นสุดจากโลกามิตรอันมีพิษราวกับเบ็ดที่เป็นฟไฟแก่ฝุงปราการปฏิบัติต่อโลกจึงมีแต่ของอัศจรรย์ออกแสดงกระแสะเสียงและกิริยาที่ท่านแสดงทมแก่อุปติสสะปริภาชก ค, ครั้งนั้น แม้จะเป็นเวลานานได้ 2,000 ปีแล้วก็เหมือนยังคือกล้องกังวานอยู่ในโสดภาษาของชาวพุทธเราไม่ได้ร่วงโรยไปตามการสมัยเลยแม้อุปติสสะที่ได้ถูกชุบชีวิตใหม่จนกลายเป็นพระสารีบุคตสาบกแล้วก็ไม่ได้ไปย้องพองอ ง, องดังที่มักปรากฏอยู่เสมอมาเลยยังยิ่งมีความครบระลึกในพระคุณท่านผู้เป็นอาจารย์จนเป็นที่ปรากฏเด่นในวงภาษาทั้งหลายตลอดมา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 อันเป็ น, นยยตําแหน่งใหญ่โตรองพระพุทธเจ้าลงมาอ่านบทบางลบล้างความเป็นของเล็กๆน้อยๆไปในตัวแต่ธรรมและอัครสาวกผู้เป็นคลังแห่งธรรมจึงไม่ได้เป็นดังที่โลกมักเป็นกันคือยิ่งดียิ่งเด่นใครไปใครใครไปบำเพ็ญความดีกับท่านแม่น้อยก็พลอยเด่นไปด้วยเพราะความดีของท่านพาให้เด่นทางนี้เพราะความดีนอกกับความดีในสมบัติภายนอกกับสมบัติภายในต่างกัน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 แทนที่การประกาศความดีของผู้อื่นที่มีแก่ท่านให้โลกทราบแต่กลับเป็นการสอแสดงถึงความเป็นผู้เด่นในคุณธรรมข้อนี้มากขึ้นเพราะการแสดงออกนั้นไม่มีความเยื่อใยเสียดายทิฏฐิมานะว่าท่านเป็นถึงขั้นอัครสาวกไม่ควรแสดงคุณของท่านผู้อื่นจนเป็นการลบล้างฐานะของตนแต่กลับกว้าเอาฐานะที่น่าส่งนอย่างยิ่งนั้นขึ้นมาเป็นเครื่องรำลึกว่าสิ่งอัศจรรย์ในตัวเราเหล่านี้เกิดมีขึ้นมาได้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 อันดับต่อมาก็พนานาคุณของคณะสัายาติยมและชาวป่าชาวเขาที่เคยมีคุณแก่ท่านในคราวบำเพ็ญเพียรแบบเอาเป็นเอาตายเข้าออแรกกันสมัยท่านอยู่จังหวัดเชียงใหม่ท่านเคยไปพักที่ไหนมากจะพณ น, นาคุณของคณะสัตาในแถวนั้นไม่ได้ขาดข้อนี้รู้สึกจะเป็นนิสัยประจาองค์ท่านมีฉน้นคงแสดงออกจนเห็นได้ชัดแก่ผู้อื่นตอนที่ท่าน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 ถ้าเทียบกับสภากรรมฐานก็คือสภาหนูเราดีๆนี่เองมิใช่สภาแมวอะไรเลยแต่การสนทนาทำกันท่านถือเป็นสําคัญและเป็นคู่เคียงกับการปฏิบัติฉะนั้นพระกรรมฐานจึงมีการสนทนากันอยู่เสมอจนปัจจุบันทุกวันนี้จวนวารสุดท้ายแห่งปฏิปทาจึงของกล่าวถึงพระอาจารย์สําคัญอีกองค์หนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นบ้างเล็กน้อยเพื่อเป็นอนุสรณ์ ตริยะแด่ท่านที่ไม่เคยผ่านประวัติท่านคือพระอาจารย์พรมท่านอยู่วัดบ้านโรงเย็นอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีที่เพิ่งมรณภาพไปเมื่อเ ร, เร็วๆนี้ผู้เขียนเคยได้อ่านประวัติย่อที่พิมพ์แจกในงานศพท่านเหมือนกันแต่หลวงลืมไปบ้างแล้วทางวัดได้ถวายเพลิงท่านเมื่อวันที่6มีนาคม2514ท่านมีประวัติย่อประจาองค์อยู่แล้วแต่ที่มาเขียนซ้าอีกเล็กน้อยนี้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 ท่านประกาศความใจบุญอันกว้างขวางแก่โลกให้บนแทบนั้นทราบโดยทั่วกันว่าท่านประสงค์จะสละทานในบรรดาสมบัติที่มีอยู่ทั้งสิน้นทั้งที่มีวิญญาณและหาวิญญาณไม่ได้จนหมดสิน้นแล้วท่านฤาษีพัญญาคู่บา ร, รมีได้ออกบทตามเสด็จพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายให้ท่านในชาตินี้ไม่ขออยู่ในโลกเกิดตายให้เนินนานต่อไปท่านผู้ประสงค์การสงเคราะห์โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆกรุณามารับทานนี้ไปเป็นสมบัติอันชอบธรรมของตน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 และดำรงตนอยู่ในเพศ พ, พรหมจารย์จนอวสารแห่งชีวิตมิได้เอ็นเอียงหวันไหวต่อโลกามิได้ใดทั้งสิ้นซึ่งควรเป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างดีเฉพาะท่านอาจารย์พรหมตอนบวทที่แรกยังไม่สมความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ต้องไปอาศัยท่านพระอาจารย์สาเป็นผู้พาอยู่อบรมไปก่อนจนกว่าโอกาสจะอำนวยจากนั้นจึงได้เที่ยวไปทางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแสวงหาท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเวลานั้นท่านพักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่หม่ว่าท่านอาจารย์พรหมนี้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 และได้บินทบาตมาฉันพอประทังชีวิตบางวันก็ยอมอดยอมทนต่อความหิวโหยอ่อนเพลียเพราะหลงทางทั้งนอนค้างอยู่ในป่าในเขาเฉพาะเวลาไปเที่ยวประเทศพม่านั้นท่านว่าลําบากมากในเวลาเดินทางเพราะทางที่ไปมีแต่ป่าแต่เขาซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์เสือนานาชนิดบางครั้งต้องปรองอนิจจังต่อความเป็นอยู่ที่เต็มด้วยความทุกข์ทรมานซึ่งสุดแสนจะทนได้และมีชีวิตสืบต่อไปในวันข้างหน้า